บันทึกพิเศษท้ายบทเพื่อความเข้าใจลึกลงไปจำเพาะเรื่องบันทึกที่หนึ่งการจัดธรรมจริยาเข้าในตรายสิกขาพึงสังเกตว่าในอังคุตรณนิกายติ ก, การนิบาทพระพุทธเจ้าทรงจัดองค์ธรรมข้อ8และข้อ9ของธรรมจริยาคืออนนพิชาและพยาบาท เป็นจิตตาสัมปทาแสดงว่าอยู่ในฝ่ายอธิจิตตสิกขาคือสมาธิธรรมเจริยาเจดข้อแรกเป็นศีลสัมปทาข้อ10เป็นทิฏฐิสัมปทาการที่ทรงจัดเช่นนี้ก็เพราะอนัพพิชาและอภยบาศก็คือภาวะที่ไม่มีนิวรสองข้อแรก คืออภิชาและพยาบาทอภิชาในแง่ที่เป็นนิวรณ์มีความหมายเท่ากับการมัฉันทะและใช้แทนที่การมัฉันทะอยู่เสมอเช่นในทีฆานิกายศิลคขันทวักและที่มาทั้งหมดซึ่งอ้างแล้วในข้อสว่าด้วยโพรมรจันที่สำเร็จผลข้างต้นการละนิวรณ์ห้าได้เป็นบุพภาคของการบรรลุอปปนาสมาธิ และเข้าถึงฌานสมาธิขณะที่ละนิวรณห้าได้เป็นอุปจาระสมาธิอนัพพิชาและอัพยาบาทก็คือภาวะที่ไม่มีนิวรณสองข้อตนและความไม่มีนิวรณก็คือเป็นสมาธิส่วนเหตุผลที่จะจัดธรรมะเหล่านี้เข้าในฝ่ายสมาธิหรือปัญญามีอยู่เพียงว่า ภาวะจิต ท, ที่มีอนัพิชาและอภัยาบาทก็ดีการทำให้อนัพิชาและอภัยาบาศมีขึ้นในจิตก็ดีจัดเป็นฝ่ายอธิจิตตสิกขาคือฝ่ายสมาธิความดาริหรือเนื้อคิดที่ประกอบด้วยอนัพิชาและอภัยาบาศนั้นจัดเป็นสัมมาสังกัปปะเป็นฝ่ายอธิปัญญาสิกขาหรือฝ่ายปัญญา ถ้ามุ่งเอาความหมายในแง่ของความดำริหรือนึกคิดที่ประกอบด้วยธรรมะสองอย่างนั้นก็จัดเป็นสัมมาสังกัปปะแต่ถ้าตัดเอาเฉพาะองค์ธรรมล้วนๆคือตัวอนาพิชาและอัพยาบาทก็เป็นจิตตะสัมปทาอย่างที่อ้างในเบื้องแรกพึงสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าในระดับกรรมบนี ถ้าโลภติดใจของคนอื่นแต่ยังไม่ถึงกับคิดจ้องจะเอามาเป็นของตนก็ยังไม่เสียหรือเกิดความโกรธขึ้นแต่ยังไม่ถึงกับคิดร้ายอยากให้เขาพินาศวอดวายก็ยังไม่เสีย